เรื่องที่21วิธีเอาชนะคนปากมากที่ซ่องโจนแห่งหนึ่งพวกแกมีธุระอะไรรีบว่ามานายโจนทักด้วยเสียงอันห้าวพลางจ้องสายตาไปที่ใบหน้าของผู้เป็นหัวหน้าคณะสุราบานซึ่งขอเข้าไปพบนายโจนพวกข้าเป็นนักดื่มเจ้าสำราญและเราชอบค้นคว้าเกี่ยวกับประชยา หน้าคะนะสุราบานแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าพวกโจรอย่างข้าไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับนักปรชัชญานอกจากการกินเหล้าแล้วก็ปล้นข้าตามแบบฉบับของจรเท่านั้นแต่เรานี้มีข้อสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับข้าหรือถูกแล้วโธ่เอ้ยเพื่อนยากทางใครใครเดินทำไมอยู่ดีๆไม่ชอบ เกิดมาสงสัย เ, เรื่องของโจรคนชตาขาดมักจะอย่างนี้เสมอจอมโจนรู้สึกไม่พอใจนิดๆไหนแกลงว่ามาสิสงสัยยังไงเปล่านะเวลานี้พวกเรากำลังค้นคว้าดูว่าในโลกนี้ใครเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดทีแรกเราลงความเห็นกันว่าคนที่น่ากลัวที่สุดคือพระเจ้าแผ่นดิน เพราะพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระราชอาญาหากผู้ใดไปกระทำล่วงเกินเข้าอาจจะต้องโทษถึงประหารชีวิตแล้วยังไงแต่ครั้นพวกเราไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวได้กราบทูล ถ, ถามถึงเรื่องนี้ความกลับไม่เป็นตามที่คาดหมายพระเจ้าแผ่นดินรับสั่งว่าอย่างไรพร่งตรัสว่าพระเจ้าแผ่นดินทั้งปวง กลัวคนอยู่พวกหนึ่งคือนักรบทรงอธิบายว่าพวกนักรบคือคนหมู่มากที่มีอาวุธในมือหากนักรบไม่มีวินัยเสร็จแล้วราชสมบัติก็อาจจะตกไปเป็นของผู้อื่นได้ง่ายก็ถูกแล้วนี่แล้วยังไงต่อไปนายโจนชักสนใจกับการค้นคว้าของคณะสุราบานจากนั้นพวกเราได้ไปหาท่านแม่ทัพซึ่งเป็นหัวหน้านักรบ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 เรารบกันภายในขอบเขตยุทธวีัยแต่มีคนอยู่พวกหนึ่งซึ่งทหารรู้สึกหวั่นเกรงคือพวกโจรเพราะพวกโจรเป็นนักสู้ที่ไม่มีวินัยชอบทำร้ายรับหลังจึงยากเกี่การปราบปรามยิ่งกว่ากองทหารข้าศึกอ๋อแน่แล้วสิก็เพราะเราชอบใช้อาวุธแต่ไม่ชอบรักษาวินัยนี่แหละเขาจึงเรียกเราว่าโจรและเมื่อข้า เป็นโจรมันเกี่ยวอะไรกับพวกแกนั่นมันเรื่องของข้าช้าก่อนในโจรที่พวกเรามาหาท่านวันนี้อยากจะขอความรู้นิดเดียวว่าท่านเป็นถึงในโจรอย่างนี้แล้วขอโทษเถิดยังรู้สึกกลัวใครอยู่อีกหรือเปล่าเรื่องสู้กับคนแล้วข้าไม่เคยถอยเดี๋ยวนี้ก็ยังได้คืนกลัวคนมันก็ไม่ใช่โจรสิวะหมายความว่า บนพื้นพิภพนี้นายโจรไม่กลัวใครเลยกระนั้นหรือถูกแล้วแต่ประเดี๋ยวก่อนคนที่ข้ากลัวก็ยังมีอยู่เหมือนกันคนผู้นั้นคือเมียของข้าเองเมียเมียของนายโจรเองเนอะหรือถูกแล้วแกคงเก่งในเชิงดาบแล้วก็แม่นปืนด้วยสินะเก่งงอะไรกันที่ข้ากลัวก็เพราะแกเป็นคนปากมากขี้บน โจรอย่างเราไม่เคยกลัวคนถืออาวุธแต่เรากลัวคนปากมากคณะสุรบาลยังมีความสงสัยอยู่ว่าเมื่อกษัตริ์กลัวนักรบนักรบกลัวโจรและโจรก็ยังกลัวคนปากมากแล้วคนปากมากจะยังกลัวใครอยู่หรือไม่จึงไปหานางเมียโจรแล้วถามว่าคุณนะนายโจรแกเป็นคนกักละและกล้าหาญออกอย่างนั้น แต่แกก็ยังกลัวคุณนะเพราะเหตุที่เป็นคนปากมากขี้บน่นขี้ด่าลงได้ว่าใครแล้วยุติไม่ลงจนแม้แต่นายโจนยังกลัวพวกฉันขอถามหน่อยเถอะว่าคนปากมากอย่างคุณนะนี่ยังรู้สึกเกรงกลัวใครอีกบ้างหรือเปล่าไอ้เรื่องประท่าคารมกันแล้วฉันไม่เคยกลัวใครเลยใครแหลมเข้ามาสิไม่จะตอกให้หงายหน้าเชียวถ้าเช่นนั้น ก็หมายความว่าคนกล้าที่สุดในโลกก็คือคนปากมากนี่เองก็ไม่เชิงคนที่คนปากมากกลัวก็ยังมีขอโทษใครคนนิ่งยังไงล่ะคนปากมากทุกรายแหละกลัวคนนิ่งอ้าวจริงๆบอกไม่เชื่อคนขี้บ่นขี้จู้จี้นั้นยิ่งฝ่ายหนึ่งพยายามตอบโต้เท่าไหร่ยิ่งได้ใจ ถ้อยคําที่ฝ่ายหนึ่งตอบโต้นั้นไม่ผิดอะไรกับเอาพัดพัดเตา่ายิ่งพัดก็ยิ่งโลงแต่ถ้าคนปากมากไปเจอคนนิ่งเข้าจะรู้สึกหน่อยเหงางุงงงยังบอกไม่ถูกว่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักตอบบางรายถึงกับตะโกนออกมาเฉยๆว่าพูดมาสิแนะ่ยังไม่พูดอีกอย่างนี้ก็มีพวกสุราบาลจำเป็นต้องเตะเข้าวัด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 และเป็นวิธีเอาชนะมรสุมปากของคนได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นหากท่านเองตกอยู่ในมรสุมปากของคนแล้วอย่าลืมเสกคาถาใส่กุญแจปากของเราคือนึกในใจว่าตัสมาตุนฮีเรานิ่งดีกว่า6เมษายน2503